แต่ จินขิ่นเคยให้เนา่าเพียนบุญสรางสมบุญสร้างดังดวงเกา่าปู่ยาเฝา้าคุ้มครองเจ้าทุกเก่าเดินเจอถูกสุขสุด ลาสินให้แอน็นไปตามลมชายเจือชมีลมลันสองก่อนนั้นให้สวมก่อนสอดใส่ทำมาล่งเรือนแต่งไว้สังวันขาดประดับคลอยสอยมานี่แก้วแค่้วพันผ่าใส่กกพ้ทวงยกกันนกว้หอมแพร่หลิวแพร่ กอเห็นเกิดแล้วถ้วยลำกอดบามู